3. ปัตตวัค 2. อ, อูนณะปัญจพันธะนสิกขาบทว่าด้วยบาทมีอรอยซ่อมยอนกว่าห้าแห่งเรื่องภิกษุหลายรูป609สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะนิคโครทรารามเขตกรุงกบิลพั์แคว้นสักกะครั้งนั้นนายช่างหม้อคนหนึ่งปรารณาภิกษุทั้งหลายไว้ว่ากระผมจะถวายบาทแก่พระคุณเจ้าผู้ต้องการบาท สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายไม่รู้ประมาณออกปากขอบาตรเป็นอันมากพวกภิกษุผู้มีบาตรขนาดเล็กก็ออกปากขอบาตรขนาดใหญ่พวกภิกษุผู้มีบาตรขนาดใหญ่ก็ออกปากขอบาตร ข, ข, ข, ขนาดเล็กในช่างมัวทําบาตรเป็นอันมากให้ภิกษุทั้งหลายจนไม่สามารถทําการค้าขายอย่างอื่นตนเองก็หาเลี้ยงชีพไม่พอทั้งบุตรภรรยาก็พลอยลําบากไปด้วยพวกชาวบ้านตําหนิ ประนามพลธนาว่าชไนพวกพระสมณะเชื้อสายสกฤตบุตรจึงไม่รู้ประมาณออกปากขอบาดเป็นอันมากเล่านายช่างมัวทําบาดเป็นอันมากให้ภิกษุทั้งหลายจนไม่สามารถทําการค้าขายอย่างอื่นตนเองก็หาเลี้ยงชีพไม่พอทั้งบุตรภรรยาก็พลอยลําบากไปด้วยพวกภิกษุได้ยินชาวบ้านตนําหนิประนามพลธนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิ ประนามโคลนธนาว่าฉนายภิกษุทั้งหลายจึงไม่รู้ประมาณออกปากขอบาดเป็นอันมากเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ